ธรรมบทแปลเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปตะกะหรือเศรษฐีตีนแมวภาคที่หเรื่องที่หนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารกเศรษฐีชื่อพิลาละปตะกะแปลว่าเศรษฐีตีนแมวตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า มาวมันเยธปุญญาสะนะมตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอปูรติติโรปุญญาสะโทกังโทกังปิอาจินังแปลว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดละหยาดได้ฉันใดทีละชนผู้มีปัญญาสร้างสมบุญแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉ น, นั้นตอนให้ทานเองและชวนคนอื่นได้สมบัติสองอย่างความพิสดารว่า สมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีรวมเป็นพวกเดียวกันพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่มาวันหนึ่งพระาศาสดาเมื่อจะทรงํำอนุโมทนาตรัสอย่างนี้ว่าอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตน แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่คนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วยไม่ชักชวนคนอื่นด้วย เขาย่อมไม่ได้โภค ส, สมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นคนเที่ยวกินเดนบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภค ส, สมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วตอนบัณฑิตเรื่อยอะไรของทำบุญครนั้น บัณดิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าโอโ้เหตุนี้น่าสะจจนบบ น, นี้เราจะทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองจึงกราบทูลพระาศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรวกนี้ขอพระองค์ทรงรับปิกษาของพวกข้าพระองค์พระาศาสดา ก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไรบุรตรปุณณ น, นด้วยภิกษุทั้งหมดประชจ้าข้าพระศาสดาทรงรับแล้วแม้เขาก็เข้าไปยังหมู่บ้านเที่ยวเปล่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายข้าพระเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันพัะตาหารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย มีประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อาหารมียากูเป็นต้นเพื่อพิสูจน์เท่าหหายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทานดังนี้ที่นั้นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบุรุรนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธว่า เจ้าคนนี้ไม่นิมนต์ภิกษุแต่พอกําลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดอีกจึงบอกกับเขาว่าแกจงเอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้วหยิบได้ให้ข้าวสารหน่อยหนึ่งทั่วเขียวถั่วราชมาศก็เหมือนกันแหลตั้งแต่นั้นสศรษีนั้นจึงมีชื่อว่า พิลาละปตากะแปลว่าตีนแมวแม้เมื่อจะให้เพศัตว์มีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นก็ เ, เอียงปากขวดเข้าที่หม้อทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันให้เพศสัตว์มีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงตีระยดระยดได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาศกทำวัตถุทาน ที่คนอื่นให้โดยรวมกันแต่ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้ประแหนกหนึ่งต่างหากตอนเศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบุรุษผู้เรียรยัยเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้วคิดว่าทาไมหนอเจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้ปผแนกหนึ่ง จึงส่งจูรุปทาคคืออุปทาคคนสนิทคนหนึ่งไปข้างหลังเขาด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปจงรู้กรรมที่เจ้านั่นทำอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีดังนี้แล้วก็ได้ใส่ข้าวสารหนึ่ถึงสองเมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูพัดและขนม ใส่ตัวเขียวถั่วราชมาดบางยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบางลงในภาชนะทุกๆภาชนะจุลุปตะากได้ไปบอกแก่เศรษฐีแล้วเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าหากเจ้าคนนั้นจะกล่าวโทษเราในท่ามกลางบริษัทไซพอมันเอ่ยชื่อเราขึ้นเท่านั้นเราจะประหารมันให้ตาย นวันรุงขึ้นจึงเน็บกิดไว้ในระหว่างผ้าหนุงแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวบรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระผู้ได้ชาติเป็นประธานแล้วกราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้น ได้ให้ข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไปสารจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ยินคบนั้นแล้วมีความคิดว่าก็เรามาด้วยตั้งใจว่าพอมันเอ่ยชื่อเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อนอนทนถือเอาเข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้เราก็จะฆ่าบุรุษนี้ให้ตาย แต่บุรุษนี้ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยธนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาแล้วด้วยหยิบมือให้ก็ดีขอผลอันไพศาลจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปา น, นี้อดโทษไซอาจยาของเทพเจ้าจะตกลงบนศีรษะของเราแต่ น, นี้แล้ว เศรษฐีนั้นก็มอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่านายขอนด้จงอดโทษให้ผมด้วยและอุบาสกนั้นถามว่านี่อะไรกันเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมดเมื่อพระาศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้วจึงตรัสถามผู้กวนควายในฐานว่านี่อะไรกัน เขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วมาตอนยาดูมินบุญว่านิดหน่อยที่นั้นพระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่านยายยว่าเป็นอย่างนั้นหรือเศรษฐีอย่างนั้นพระเก้าข้าอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครไกไม่ควรดูมินบ้านิดหน่อย เันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อยด้วยว่าบุรุษผู้บันดิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นนันนี้แล้ว เมื่อจะส่งสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้หม่อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ระหยาดระหยาดได้ฉันใดทีรชนผู้มีปัญญาสร้างสมบุญแม้ตีละน้อยละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นบาลีว่ามาวามันเยตะปุญญาสะนะมัดตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาสะโทกังโทกังปิอาจินังก็ในเนื้อความแห่งพระคถานั้นว่า มนุษย์ผู้บัณฑิตทำบุญแล้วยาดูมิ่นคือไม่ควรดูถูกบุญอย่างนี้ว่าเราทำบุญมีประมาณน้อยบุญมีประมาณน้อยจะมาถึงด้วยอำนาจแห่งวิบากก็หาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมนิดหน่อยจะเห็นเราที่ไหนหรือว่าเราจะเห็นกรรมนั้นที่ไหนเมื่อไรบุญนั้นจะให้ผลเหมือนอย่างว่าภาชนะดิน ที่เขาเปิดฝาตั้งไว้ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ระหยาดระหยาดไม่ขาดสายได้ฉันใดทีรชนคือบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อสังสมบุญทีละน้อยละน้อยชื่อว่าเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นในการจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้ว พระธรรมเทศนาะได้มีประโยชน์แล้วแม้แก่บริษัทที่มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปตกะ